ตตริเมจตาโรปาราจิกาธรรมาอุเดซังอา迦ชันติโยปนะพิคุพิคูนังสิกาซาจีวะสมาปัโนสิขังอปัจักขายะดุกบลยังอนาวิกตวาเมทุนังธรรมังปะไมเซเวยะอันตมโสติรัญชาเนกตายาปิปาราจิโกโหติอาจังวาโสอน โยปนะภิกขุกามาวาอรัญาวาอดินังทยยาสังฆาตังอาดิยยยะยะท่ารูเปอะดินนาดาเนราชาโนโจรังเกหิตตวะในยุงวาบันธิยงวะปับปเจยงวา โยโรสิบาโลสิมุลโลสิเทโนสิติแต่ท่ารูปังพิกุะดินังอาดิยะมาโนอยัมปิปาราจิโกโหติอสังวาสอโยปนาพิกุสั่นจิตจะมนุษย์วิหังจีวิตาวโรเปยะสัทธาหัรักอังวัตสัพเรย์เสยยะมรณะวันนังวาสังวันไมยะมรณะยาวาะมาดาเปยะ อัมพวุปุริสะกิงตุหิมินาปาเปกเณดุจิวิเตนะมัตันเตจิพิทาสยติอิติกิตมโนจิตสังเปะเนกะปริยาเยนะมรณะวันนางวาสังวณเมียมรณยวาสมาเปยะยัมปีปราจิโกโหติัวา โยปนภิกุอนาิจานังอุตริมนุตสะทัมมังตุปนะิกังอัลมาริยณะดัสนังสมุดาจรียอิติจานามิอิติปสสมิติตโตอะเรนะสัมเยนะสัมโนกาหิยามโนวาสัมโนกาหิยามโนวาอะปโนวิสุธาเปโคเอบังวเดีย อาจารณาเมวังอบุโซอาวัจังอาจารณามิอาปั้งประสาวะมิตุชังมุสาวิละปินติัญญตระอธิมานาอยัมปิปาราจิโกโหติอาสั่งวาโซอุดิตภาคอายัสมันโตจัตตารุภาราชิกาธรรมาเยสั่งภิกขุัญญตรังวะัญญัตรางวาอาปจิตวานละภติภิกขุหิสถิสั่งวาสั่ง ยถธาปุเรตตาาปัชชาปาราติโกโห้ติอะชังวาโซอนตัฏธายะสัมันเตปุชามิกจิธาปริสุทธาดุติยัมปีปุชามิกจิธาปริสุทธาตติยัมปีปุชามิกจิธาปริสุทธาปริสุทธะยะสัมนโตตัตสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิ